ต้นฟังคะท่านกำลังฟังรายการสัสนิษฐานาดําเนินรายการโดยดิฉันศศิ น, นีาพงศ์อยู่นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียรติค่ะสำหรับในตอนนี้พูดถึงเรื่องปัญหาน้ําท่วมที่เป็นน้ําท่วมน้ําท่วมเลยเนี่ยคลี่คลายแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะฟื้นฟูกลับคืนมาให้อยู่ในสภาพดีได้อย่างไรสําหรับคนที่โดนน้ําท่วมไป รายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นในส่วนที่การจะให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเพื่อทำคําสั่งสอนของพระศาสดาของเราซึ่งพระศาสดาของเราเท่าที่ดิฉันจำได้ท่านก็จะเน้นในเรื่องของความทุกข์เดี๋ยวไปถามท่านเพบู์กันนะคะว่าความทุกข์ที่พระศาสดามุ่งเน้นนั้นจะเหมือนกับความทุกข์ของเราเราท่านท่านหลายๆคนที่ประสบกับ ความไม่สบายอกไม่สบายใจหรือว่าไม่สบายในด้านผลพวงของความเสียหายลักษณะเดียวกันแบบน้ำท่วมนี้นะคะเราไปพบกับพระเพรบุตรอภิปุณโญช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะน้มักการะทั้นค่ะเจริญพรค่ะในเรื่องของความทุกข์ที่คุณตัวมิตรพูดอ่ ะ, อ ม, อะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัมพัสกันอย่างตอนนี้มีบางส่วนที่คุณตัวมิตรพูดถึงเรื่องน้าท่วมใช่ไหมที่ว่า มันเริ่มลดแล้วมันเริ่มคลี่คลายแล้วเนี่ยแต่ว่าในบางส่วนที่เขายังไม่คลี่คลายเขาก็มีทีนี้ประเด็นคือตรงนี้คุณยมติวส่วนที่เขายังไม่คลี่คลายเนี่ยนะเขาท่วมมาเป็นเดือนละค่ะแล้วทีนี้ส่วนที่มันคลี่คลายเนี่ยพอมันเริ่มลดลงไปเนี่ยความทุกข์ของของคนที่ระดับน้ําอยู่ที่เดิมมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะกลับมากเพิ่มขึข้นค่ะเพราะว่าเห็นว่าคนอื่นเขาดีขึ้นแล้วตัวเองฉันยังไม่ดีฉันเลยทุกข์มากขึ้นใช่แล้วเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะท่านเห็นความช่วยเหลือ ที่มีฝายรัตด้วยเอกชนด้วยบิ๊กคลีนิ n งเดย์ที่ที่เหมือนกับทุ่เราเบาบางลงไปแต่ฝ่ายที่ยังน้ําท่วมอยู่เนี่ยโกรธแค้นมากเลยใช่ก็มีความทุกข์มากขึ้นทั้งทางที่ระดับน้ํานี่มันเดิมมาตั้งเป็นเดือนแล้วอย่างยังคนที่เขาอยู่มาได้เดือนหนึ่งเนี่ยนะอาตมาต้องบอกว่าถ้าความช่วยเหลือยังไม่ไปถึงคุณระดับน้ํายังไม่ลดเนี่ยคือคุณจะต้องเรียนรู้แล้วแหะว่าจะต้อยู่กับน้ํายังไงเดือนกว่าแล้วเนี่ยใช่ไหมทีนี้คือเราพออยู่กับน้ําได้แต่ความทุกข์ของเราเนี่ย ก็กลับเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเขาเริ่มคลี่คลายไปนี่ไงมันจึงเป็นความความทุกข์มันจึงเป็นของสัมผัสเนะี่ยไม่ได้สัมผัสตามระดับน้ําไม่ได้สัมผัสว่าน้ําจะมากหรือน้ําจะน้อยนะแต่สัมผัสกับความอยากที่เรามีเราก็อยากได้เหมือนกับเขานะเราอยากได้น้ําลดแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่เห็นมีความอยากอย่างนี้เพราะความอยากอย่างนี้คือไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่ว่ามันเบาบางลงไปเนื่องจากว่าเราเรียนรู้ที่อยู่กับมันใช่ไหม ทีนี้พอคนอื่นเขาได้คนอื่นได้เราอยากได้บ้างพอความอยากเราเพิ่มขึ้นมาจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจึงทุกมากจึงมีเหตุการณ์ประท้วงจะมาทําอะไรนั่นนี่กันนะนะก็อันนี้คือเข้าใจเรื่องนี้เฉยๆค่ะท่านบุญบุณใช้คําว่าความทุกข์เป็นของสัมพัส์กับความอยากใช่อันนี้เป็นภาษาสมัยใหม่มากนะคะที่ฉันเข้าใจว่าสัมพัส์เนี่ยเป็นเรื่องภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไหพวกใช่ไหม ทีนี้หม า, ายถึงว่ามันมีมันมีความสัมพนันธ์กันในระดับที่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีเหตุเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องก็เหตุของความทุกข์คือตัณหาไงตัณหาเป็นเหตุให้เกิดของความทุกข์อันนี้พุทธวจนะเพราะฉะนั้นถ้าตัณหามากคุณทุกข์มากตัณหาน้อยคุณทุกข์น้อยอ๋อถ้าอันนี้เป็นพุทธวจนะเลยใช่ก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าความทุกข์มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ตัญหาเ อ, อคือความอยากพุทธวจนะเป็นอย่างนี้ตัญหาเป็นเหตุให้เกิดของทุกข์ออ่านี่คือพุทธวจนะเพราะฉะนั้นถ้าตัญหามากทุกข์มากตัญหาน้อยทุกข์น้อยตัญหาไม่มีเลยทุกข์ดับหมดค่ะตัญหาเป็นเหตุให้เกิดของทุกข์ท่านไปบุญค่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านได้ทิ้งกันบ้านเอาไว้ให้ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านบอกว่า ให้นั่งสมาธิเห็นเกิดดับแล้วปล่อยวางใช่ใชแล้วก็เอามาตรวจสอบการในวันจันท์นี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสทํำไหมคะนั่งสมาธิให้เห็นเกิดดับแล้วปล่อยวางอดี๋ยฉันว่ายาก <laughs> <laughs> นี่น่าต้องกลับเรียนท่านเลยนะคะก <c oughs> ็คืออาจจะมีบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ว่า <c oughs> นั่งไปนั่งไปเอ้มันอะไรเนาะว่าเลิกดีกว่าเลิกดีกว่านี่คือปล่อยวางแล้วชันไม่ทําละอาจจะคิดว่า ง, งี้ถูกต้อง <laughs> นั่นคือปล่อยวางไหมคะไม่ใช่นั่นคือเลิกทํา ปล่อยวางเนี่ยคือเราปล่อยวางจากความยึดถือปล่อยวางจากความยึดถือแต่คืออย่างสมมติเราเลิกทำแล้วคุณไปทำหลายคุณก็ไปหาดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่นใช่ไหมอันนี้คุณไปยึดสิ่งอื่นอันนั้นยังไม่ถูกค่ะอ า, อาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ยาวนะแต่ว่าให้นั่งสมาธิเห็นเกิดดับและปล่อยวางอันนั้นเป็นโจดะนะคะทีนี้นั่งสมาธิเนี่ยก็พอจะเข้าใจกันแล้วลักษณะการนั่งเนี่ย เป็นอย่างไรแล้วถ้าสมมุติว่าฟังรายการนี้บ่อยก็จะเน้นไปทางด้านของการเจริญอาณาปานสติใช่ไหมคะนั่ง<ม>แล้วก็ให้รู้ลมทีนี้บอกว่าเห็นเกิดดับเกิดดับจะเห็นตรงไหนตอนไหนอย่างไรจะได้ตรวจสอบเป็นกับท่านผู้ฟังอาจจะบอกเอออยากรู้แต่ไม่มีโอกาสถา ม, มค่ะเกิดดับนี่มันมีทุกขณะเลยเอมันมีทุกขณะยังไงทาไมฉันไม่เห็นมันก็ต่อเ น, นื่องกันไปเอาก็อย่างเช่นว่าเรา มีความรู้สึกสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วความรู้สึกนั้นก็หายไปอย่างเอาแค่ว่าเราได้ยินเสียงนี้อยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําบางคนที่ทํากับข้าวอยู่ก็ทําไปบางคนที่วิ่งอยู่ก็วิ่งไปคนที่ออกกําลังกายอยู่หรือคนที่นอนอยู่ก็ทําไปใช่ไหมเราก็ไปพลิกตัวทําอย่างอื่นเราก็ไปรู้อย่างอื่นนั่นแนหะคือจิตของเราก็ออกจากการรับรู้ทางหูละมันก็ดับไปละนะเกิดดับคืออย่างนี้ใช่หรือแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงละมันไม่ได้เข้าตลอดค่ะ <K S 1> ก็แปลว่าจากอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปอันนี้นคือเกิดและดับใช่แล้วมันก็ไม่ได้หายไปแล้วก็ว่างๆโงงๆอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วมันหายไปปุ๊บมีอะไรมาแทนที่ถูกไหมคะใช่ไอ้ที่มาแทนที่ใหม <K S 2> ่ ก, ก็คือการเกิดใหม่คือการเกิดใหม่ออแล้วเดี๋ยวไอ้สิ่งที่มันเกิดใหม่เมื่อสักครู่นี้ก็หายไปอีกแล้วอืมนั่นก็เป็นการดับไปอันนี้ ถ้าจะพูดมันเป็นอารมณ์มันคืออะไรอะคะที่เกิดเกิดดับดับเนี่ยคะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของสรรพสิ่งถ้ามีสิ่งไหนเกิดไม่ดับนี่ไม่มีพระท่านพูดแบบนี้หลายคนบอกอ๋อเลยอยู่กับมันมาตลอดเลยใช่เดี๋ยวไอ้นี่ก็้ามาไอจะรู้ทันมันหรอกว่ามันมามันไปกี่ครั้งในชั่วขณะหนึ่งเนี่ยค่ะออทํำไมมันเป็นอย่างนั้นกันคะเพราะว่าเราจิตไม่เป็นสมาธิจิตที่ไม่เป็นสมาธิก็จะไม่เห็นตามที่เป็นจริง ในกรณีนี้คือการเกิดดับการเกิดดับเนี่ยคือเห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหมเอ๊ะเราก็ไม่เห็นนี่ว่ามันจะจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีปัญหาอะไรเราก็หายใจเข้าออกเป็นปกติฉันก็ทำไอ้นี่แล้วก็ทำไอ้นู้นต่อไปความรู้สึกนี้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเอ้า ค, คุณไม่เห็นปัญหาไงเพราะคุณจิตไม่เป็นสมาธิอ่าค่ะทีนี้ท่านก็ชีย่ยเห็นล้ว่วาท่านที่นั่งสมาธิทั้งหลายขอให้นั่งแล้วให้เห็นการเกิดดับ แปลว่าถ้านั่งแล้วมันไม่เห็นการเกิดดับนั่นแสดงว่าไม่มีสมาธิหรือเปล่าจิตยังไม่เป็นสมาธิลึกเท่าที่จะเห็นระดับนั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นอย่างคนที่นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปเนี่ยนั่งไปก็สบายๆอยู่ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมพอเราเข้าสมาธิลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถใครครวญได้ว่ า, วาโอชีวิตเรามันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวเราก็เกิดมาเดี๋ยวเราก็ตายละ โอ้ยเราปล่อยวางดีกว่าความคิดตรงเนี้เกิดไม่ได้จากความที่คุณมีสมาธิลึกเข้าไปลึกเข้าไปคุณจะเห็นว่าโอ้ยตอนสุดท้ายของชีวิตฉันนี่ชันเท่าไหร่ละ4ี5 0ละเดี๋ยวฉันอยู่ไม่เกิน50ปีแน่นอนเลยไม่เกินร้อยปีหรอกเดี๋ยวฉันก็จะตายฉันอย่าไปเครียดเลยปล่อยวางดีกว่าเรื่องน้าท่วมเป็นต้นค่ะพอเราปล่อยวางเราก็จะสบายใจดังนั้นถ้านกำลังจะบอกหรือเปล่าคะประโยชน์ของการนั่งสมาธิจนเห็นเกิดดับคือก็คือการที่ปล่อยวางได้ คือเหมือนกับว่าจะได้เห็นว่ามันมาๆแล้วมันก็ไปใช่ไหมคะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปอย่างนั้นหรืป่าคะใช่ทีนี้การปล่อยวางเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าปล่อยวางคือปล่อยทิ้งปล่อยวางคือไม่ทําอะไรอย่างน้ําท่วมเหรอฉันปล่อยวางแล้วบ้านฉันก็ไม่ล้าง Big c l e a n นิ่งเดฉันก็ไม่ไปฉันปล่อยวางหมดแล้วฉันสบายใจนี่คือปล่อยวางในที่นี้คือปล่อยวางทางใจนะไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อยทิ้งไม่รับผิดชอบไม่เหมือนกัน คนรับผิดชอบด้วยการปล่อยวางกับคนทิ้งการงานไม่เหมือนกันต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณยมติวค่ะ เ, ออเดี๋ยวตัวใหญ่ให้ฟังอย่างสมมติคนที่เขาไปทำบลิสคีนิ่งเดเนี่ยเพราะเขาปล่อยวางสิ่งที่สกปรกสิ่งที่โสโครกสิ่งที่หมักหมมเขาปล่อยวางสิ่งนั้นได้ใช่ไหมตัวเขามือเขาจึงไปยอมเลอะกับพวกเชื้อราพวกไอ้ขี้ทูดหมูดใครอะไรต่างใช่ไหมเขาจึงทํางานได้เขารับผิดชอบนะด้วยการปล่อยวางในใจของเขา แต่แบบนี้คือกรณีที่หนึ่ง mm hmm. ส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าตัวเองปล่อยวางได้ปล่อยวางแบบโกงๆหน่อยคือหมายความว่าปล่อยวางได้ไม่จริงปล่อยทิ้งไม่ช่วยปล่อยวางแล้วบ้านฉันไม่ทํานะพวกนี้คือจิตเขาเนี่ยจะไม่เป็นจิตเขาเนี่ยจะมีความอยากในกามเเว่น mm hmm. เช่นว่าอยากสบายนะจึงไม่รับผิดชอบจึงไม่ทําจึงปล่อยทิ้ง mm hmm. เหตุคนละเหตุเลยนะ <Okay. S 1> เหตุของผู้ที่ปล่อยวางรับผิดชอบด้วยการปล่อยวางจิตเขาเป็นสมาธิ แต่เหตุของผู้ที่ไม่รับผิดชอบแล้วปล่อยทิ้งเนี่ยคือผู้ที่จิตมีการตระหนากมากผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันผลที่เกิดขึ้นของคนรับผิดชอบด้วยการปล่อยวางเนี่ยงานเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแต่ผลที่เกิดขึ้นของคนที่ละทิ้งการงานไม่รับผิดชอบเนี่ยคืองานแบบเสียหายเราก็เห็นกันมามากนะค่ะอันนี้เป็นการอธิบายให้เห็นว่าจากสิ่งที่ ได้กระทำลงไปของแต่ละคนที่แตกต่างกันนั้นมันมีผล ม, มันอธิบายได้ถึงอะไรแต่ ถ, ถ้าอย่างแรกคือมีธรรมะด้วยเลยหรือเปล่าคะแน่นอนเลยจิตของคุณเป็นสมาธิแสดงว่าคุณมีธรรมะละอยู่ไกลพระพุทธเจ้าแค่ไหนก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ละงั้นถ้าจะว่าไปเรื่องธรรมะตอนนี้ก็คงจะมีหลายคนนะคะก็บอกว่าแน่ละสิยังไงก็ไม่รู้จะไปไหนบ้านก็มีอยู่เท่านั้นที่ทางานก็มีอยู่เท่านั้น กองอยู่ข้างหน้าเนี่ยขยะเต็มเลยราเดอขึ้นเนี่ยต้องสะสางมาแน่ๆออื <S <S ถ้าทําแบบมีสมาธิเผชิญหน้ากับเขานะคะออืแล้วก็ทําไปเนี่ยธรรมะอะไรเจริญบ้า ง, างคะท่านคะเออหนึ่งเราก็จะมีความอดทนเนีของเราจเจริญแน่อันนี่ยที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าเราทํากับหมู่คณะเนี่ยเราก็จะมีความสามัคคีด้วยเพราะว่าถ้าเรามาดูกรณีเปรียบเทียบอย่างคนที่เขาปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะด่ากราด คนช่วยเราทำเนี่ยก็ด่าด้วยนะถูกด่าด้วยนะลูกน้องลูกนุ่ง ล, ลูกน้องที่มาช่วยทําความสะอาดถูกด่าหมดเลยนะเพราะว่าความที่เขาปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมมือทําอยู่เพราะว่าไม่มีที่ไหนไปนี่มันถูกบังคับให้ทํามันก็ต้องทําหละแต่ว่าไม่พอใจก็จะด่าคนอื่นในขณะที่ถ้าเราไม่ได้ถูกบังคับให้ทําแต่เราปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นแล้วเรามารับผิดชอบด้วยการทําของเราเนี่ยมันก็จะสร้างความสามัคคีไปในตัวชั้นทําเธอก็ทําก็ช่วยกันไปทําหน้าที่คะ่ะนะอันที่สเราจะฝึก สิ่งที่เรียกว่ามีเมตตาซึ่งแต่ละกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นันนี่เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่เลย น, นี่คือปรเมห า, สา น, นสี่ั้นะเออดทนสามัคคีเมตตาแล้วก็ได้กรุณามุทิตาอุเบกขาไปด้วยในตัวในส่วนอันนี้คือธรรมะที่ได้จากการที่ยอมรับความเสียหายนั้นแล้วก็สะสางทําให้ดีขึ้นมาใหม่มด้วย ความตั้งใจและผลพลอยได้คือได้ธรรมะใช่แล้วถ้าเป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเป็นสถานที่สาธารณะเนี่ยก็จะได้บุญในส่วนที่เราอุการะผู้อื่นด้วยหมายความว่าอย่างสมมุติเรามาสร้างกุฏิวิหารในวัดอย่างเงี้ยก็เพื่อหวังว่าใครสักคนในคนหนึ่งมานั่งสมาธิที่นี่ใช่ไหมบรรลุปเป็นอรหันเนี่ยเราจะมีเป็นผู้มีบุญใช่ไหมอย่างเหมือนการเราไปทําความสะอาดตึกรานบ้านช่องที่เป็นสาธารณะอย่างเงี้ย เราคิดว่าเออคนที่อย่างต้นไม้อย่างเงี้ยเราไปรดน้ําต้นไม้เหมือนกันใครมาอาศัยใต้ร่มไม้นี้แล้วมีจิตสงบเป็นพระโสดาบันได้เราจะได้บุญมากเราก็คิดแค่นี้เองค่ะนี่เป็นทางไป<ย>บุญอย่างไม่หวังให้ได้ก็ได้ถูกไหมครับใช่ไม่ได้คิดเลยตอนไปปลูกเนะี่ยว่ามันจะโตใหญ่มีกิ่งก้านสาขาร่มเย็นให้คนมาหลบถูกต้อ ง, องได้ไปโดยปริยายใช่ท่านคะทีนี้เอ มันใกล้เคียงกันมากแต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นคําถามที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ท่านก็ได้ตอบไปแล้วในบางส่วนนะคะว่าแล้วหากเราเนี่ยอยู่กับกองไอความสกปรกโรกรุงรรงเสียหายเนี่ยถ้าเราคิดว่าเอาละฉันจะไม่เพียงแค่ทํางานอย่างเดียวสะสางอย่างเดียวเหงื่อของฉันทุกเม็ดเนี่ยมันจะต้องส่งผลในทางธรรมอย่างสูงนอกเหนือจากเรื่องของ อดทนเรื่องของสามาคิอะไรที่ท่านว่าแล้วผมวิหารเนี่ยนะค ะ, ะทำในส่วนคล้ายๆกับการปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยได้จะทำอย่างไรให้ได้ปรากฏเป็นไปได้ไหมคะอันนี้พุทธชาพูดถึงการฝึกสติด้วยการรู้ตัวอยู่กับอิริบทที่เราทำเป็นจิตอธิษฐานการงานเราทำความสะอาดไปขัดไปถูไปอย่างเงี้ยเราก็มีสติอยู่ในอิริบ ท, ที่เรามีกิจกรรมที่ทาอันนี้นี่ก็ฝึกเรื่องสติด้วยอีกอย่างหนึ่งถูกต้อง เป็นจิตอธิษฐานการงานแล้วเราไม่ได้ว่าใช้เวลาเราเหงื่อแตกเฉยๆออกกําลังกายเฉยๆแต่ว่ายังฝึกจิตด้วยให้ระลึกถึงกิจกรรมตรงนี้ได้บุญมหาศาลคือแปล ว, ว่าถ้าจะต้องทําขณะที่ทําขอให้ตั้งใจว่าจะมีสติอยู่กับทุกอิริยาบถใช่ไหมคะใช่ใชอิริยาบถในที่นี้ครอบคลุมกว้างแค่ไหนอะไรที่ น่าจะใช่แต่ไม่ใช่เอ่อเอียรีบทในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดไว้สองนัยยะคือจริงจริงนัยยะเดียวแหละคือยืนเดินนั่งนอนนี่คือเอีรยรีบทแต่ว่าอีกที่หนึ่งพูดไว้คําว่าสัมปัชัญญานะสัมปัชัญญาเนี่ยคือในการที่เราทําทุกอย่างยืนเดอเอ่อก้าวไปข้างหน้าถอยกับแปข้งหลังการใส่เสื้อผ้าการกินข้าวการยืนการเดินการกินไปห้องน้ําการนิ่งการพูดพวกนี้เรียกว่าสัมปัชัญญะเพราะฉะนั้นเรามี สติอยู่ในสัมปชัญญะมีสติอยู่ในทุกสัมปชัญญะอันนี้คือคําพูดที่จะถูกต้อง น, นะนะค่ะค่ะก็คงจะได้ใจชื้นขึ้นมานะคะสําหรับคนที่แหมเห็นภาระข้างหน้ามันกองโตเหลือเกินมันจะรับไม่ไหวแต่หารู้ไม่ว่านอกจากบ้านสะอาดขึ้นแล้วที่ทํางานสะอาดขึ้นแล้วมันได้ประโยชน์ในทางทำ<ม>ไปด้วยก็ได้ถ้าทําเป็น ม, ม, มีนิดนึงตรงนี้คุณยมติ๋ยวมืนันเหมือนกับชาวน้าสมัยก่อนที่เขาจะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวกันใช่ไหมอย่างเช่นบ้านเราอยู่3 4คนทำไม่ไหวหรอก คุณเฮโลเพื่อนมาเลยนะทำบ้านนี้เสร็จแล้วไปทําบ้านอื่นไปทําบ้านน้นลุยกันไปสี่คนช่วยกันมาลุม่มนะเสร็จบ้านนี้แล้วไปทําบ้านอื่นทาด้วยวิธีการอย่างนี้ก็ได้จะเสร็จเร็วจะมีความสามัคคีกันมากแล้วก็สบายด้วยไม่หนักมากเกินไปค่ะ <c oughs> สมัยก่อนถ้าทํานาเขาเรียกลงแขกเลยนะคะค่ะวันนี้เราคงจะต้องใช้เวลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะท่านเบิรบูค่ะเียเข้าใจว่าท่านฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคงจะได้แง่คลิปนะว่าทํามะในอยู่ไม่ไกล อยู่ติดกับตัวเราเลยถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับพุ้ทวจนะแล้วเราก็จะเหมือนยิงปืนนัดเดียวไม่ใช่ได้นกแค่สองตัวนะคะมันได้นกพิเศษนะคะที่พาเราไปสู่การหลุดพ้นได้เลยวันนี้เราก็ในมรสการขอบพระคุณพระอาจารย์เพบุญญาพี่ปุณโญพร้อมๆกันนะคะนมรสการทา่านค่ะอาาบานการเคลื่อนไหวที่เคารพคะและนี้ก็คือสาระของรายการสรนสนีสนทนาซึ่งพยายามที่จะให้ท่านได้ นำเอาพุทธวจนะของพระศาสดาของเราเนี่ยนะคะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตในทุกๆเวลาทุกนาทีและดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขอเพียงแต่ว่าท่านลองไปใช้กันดูนะคะจะพบกับความสวัสดีของชีวิตส่วนท่านที่ต้องการจะศึกษาพุทธวจนะของพระพุทธองค์พราะมีความรู้สึกว่า โ, โหยิ่งทราบว่าเป็นอย่างไรแล้วยิ่งมีความรู้สึกว่าน่ารู้ไปหมดเลย เราน่าจะมีความรู้พอกภูนจะได้รู้ว่าพระพุทธองค์นั้นตัดมาอย่างไรก็ที่0 2 2 6 9 0 0 0สทิ้งคำถามของท่านไว้ที่นี่ก็ได้หรือส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/ 1 0 6ให้กับท่านไปบูรโดยตรงซึ่งท่านก็จะสื่อสารนำเอามาไทถามและก็ต่อกันในรายการนี้เนี่ยแหละนะคะวันนี้พุทธวัตรสวัสดีคะ่ะ